บทภาชนีติกะนิสกิยปาจิตตีหกรี่สิฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนภิกษุสําคัญว่าเกินแสวงหาภาพน้ําฝนต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีฤดูร้อนยังเหลือเกินหนึ่งเดือนภิกษุไ <c oughs> ม่แน่ใจแสวงหาภาพน้ําฝนต้องอบัตตินิสกิยปาจิตตีฤดูร้อนยังเหลือ เกินหนึ่งเดือนภิกษุสําคัญว่าหย่อนกว่าแสวงหาภาพน้ําฝนต้องอบัตตนิสกิยปาจิตตีติกานิสกิยปาจิตตีฤดูร้อนยังเหลือเกินกึ่งเดือนภิกษุสําคัญว่าเกินทำนุ่งต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีฤดูร้อนยังเหลือเกินกึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจทำนุ่งต้องอบัตตนิสกิยาปาจิตตีฤดูร้อน ยังเหลือเกินกึ่งเดือนภิกษุสําคัญว่าย่อนกว่าทํานุ่งต้องอบัตินิสักคียปาจิตตีทุกกฎเมื่อมีผ้าอาบน้ําฝนภิสูุเปลือยกายอาบน้ําฝนต้องอบัติทุกกฎฤดูร้อนยังเหลื อ, อย่อนกว่าหนึ่งเดือนภิกษุสําคัญว่าเกินต้องอบัติทุกกฎฤดูร้อนยังเหลือย่อนกว่าหนึ่งเดือนพิสูุนไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎ ฤดูร้อนยังเหลือหย่อนกว่าหนึ่งเดือนภิกษุสําคัญว่าหย่อนกว่าไม่ต้องอบัตติฤดูร้อนยังเหลือหย่อนกว่ากึ่งเดือนภิกษุสําคัญว่าเกินต้องอบัตติทุกกฎฤดูร้อนที่ยังเหลือหย่อนกว่ากึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎฤดูร้อนที่ยังเหลือหย่อนกว่ากึ่งเดือนภิกษุสําคัญว่าหย่อนกว่าไม่ต้องอบัตติ